บทที่หแม่ชีก้อนทองแม่ชีเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนมนุษย์เดินดินอย่างเราๆไหมคำถามของสมพานช่างถูกใจโยมเสียนักไม่เหมือนจะ้ะเขางามกว่ามนุษย์อกีกใส่ชะดามีสร้อยสังวานเครื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนินจินดาไม่เหมือนจะ้ะ เขางามกว่ามนุษย์อีกใส่ชดามีสร้อยสังวานเครื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนินจินดาช่างงามเหลือลน้นก็เหมือลิเกน่ะสินะพระเจริญนึกไปถึงพระเอกลิเกจ ะ, จะจว่าเหมือลิเกก็ได้แต่เทวดางามกว่าลิเกมากจะ้ะผิวพันธ์ผ่องใส งามไม่มีทิฏฐิแม่ชีตอบเพราะจําได้ติดตาแล้วก็บอกหรือเปล่าว่าทําไมถึงต้องให้แม่ชีย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงบอกจ้ะเทวดาบอกว่าสมพานวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนากรรมฐานฉันจะได้มาเรียนกรรมฐานกับสมพานแล้วก็จะได้เรียนสวดมนต์จากเทวดา เทวดาบอกว่าจะสอนชั้นสวดมนต์แม่ชีวัยแปดสิบเศษกล้าเรียนตามที่เทวดาบอกในฝันแต่ที่วัดนี้ยังไม่มีสำนักชีมีกุฏิพระอยู่สามสี่หลังแล้วอาตมาจะให้อยู่ตรงไหนดีละ่ะกลัวผีหรือเปล่าไม่กลัวจ่ะ ง, งั้นไปอยู่บนศาลาก็แล้วกันบนนั้นมีห้องเก็บของว่างอยู่ห้องหนึ่ง ถ้าอยู่ได้ก็เชิญตามสบายแล้วนี่มากับใครละ่ะฉันมาคนเดียวจ้ะกะว่าจะมาขออนุญาตท่านก่อนแล้วพรุ่งนี้จะให้ล้านช่วยขนข้าวขนของมาส่งต้องขอบพระคุณท่านสมพานที่เมตตาฉันพูดพลางก้มลงกราบสามครั้งงั้นฉันขออนุญาตไปที่ศาลาเลย จะไปกวาดถูไว้ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้มาแต่เช้าทำไหวหรืออายุเท่าไรแล้วล่ะแปดสิบเก้าจ้ะโอ้โหร่มเก้าสิบแล้วสินะแต่ยังดูแข็งแรงดีอัตมายังนึกว่าสักเจ็ดสิบกว่ากว่าที่แท้จะเก้าสิบแล้วนั่นสิอิฉันก็คิดว่า แม่ชีคงจะอายุไม่เกินเจ็ดสิบนางโถพูดขึ้นแกกว่าอาตมาหกสิบปีโยมผู้หญิงใครอยากได้บุญก็ช่วยแม่ชีเขาทำความสะอาดห้องบนศาลาโยมผู้ชายจะไปปฏิบัติต่อก็ได้ส่วนอาตมาขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนจีวรใหม่จีวรถันสมพาน ถูกไฟไหม้ตั้งแต่เมื่ อ, อไรฉันเห็นแต่แรกแล้วว่าจะทักก็ไม่กล้าแม่ชีถามขึ้นไม่ใช่ไฟไหม้หรอกจ้ะแม่ชีท่านถูกฟ้าผ่าเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองอยู่ๆฟ้าก็มืดพอผ่าท่านแล้วก็สว่างจ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางแต้มบอกแม่ชี ยังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกฟ้าผ่าแล้วยังนั่งคุยกับโยมได้อีกหรือแม่ชีไม่อยากจะเชื่อหากก็แปลกใจที่เห็นจีวรท่านไหม้ไปครึ่งผืนนั่นสิถ้าไม่เห็นกับตาอีฉันจะไม่เชื่อเด็ดขาดนางแช่มช่วยเป็นพยานให้ ชีวัย89ยกมือประนมเหนือศีรษะพูดว่าสาธุเป็นบุญของอิชั้นเลือกเกินเทวดาส่งมาถูกวัดแล้วชันสแสวงหาครูบาอาจารย์มานานเพิ่งมาพบเมื่ออายุยวนจะ90้าสแต่ถึงท่านจะอ่อนกว่าตั้ง60สบปีฉันก็ยอมรับนับถือว่าเป็นครูอาจารย์ ขอให้ท่านเจริญเจริญเถอะบารมีท่านสูงจริงจริงอัตมาก็เจริญอยู่แล้วลโยมเพราะว่าโยมพ่อตั้งชื่อให้ว่าเจริญสมภารหนุ่มยาวด้วยนึกถูกชะตาแม่ฉีค้างที่วัดนี้เลยเล่ะครับอุบาสกถามขึ้นไม่ค้างละจากหกโมงเย็นหลานเขาจะเอาเรือมารับ พรุ่งนี้ฉันจะขนของมาแต่เช้าแม่ชีตอบแล้วก็ลุกไปดูศาลานางโถนางแต้มและนางแช่มพากันกราบสมภารสามครั้งแล้วลุกตามออกไปเพื่อจะช่วยทำความสะอาดห้องเก็บของที่ว่างอยู่อุบาศกอุบาสิกาอื่นๆพากันกลับไปยังศาลาเพื่อปฏิบัติต่อจนถึงเวลาทําวัดเย็น เมื่อทำวัดเสร็จก็พากันกลับบ้านเพราะที่วัดยังไม่มีกุฏิที่พักให้คิดว่าในวันข้างหน้าหากมีเงินมีทองก็จะพากันมาช่วยสมภารสร้างกุฏิกรรมาฐานชันเช้าแล้วพระเจริญก็สำรวจรอบวัดเพื่อดูว่าจะสร้างสำนักชีขึ้นตรงบริเวณใดท่านเดินไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกำแพงแก้ว แล้วก็เลยเข้าไปในโบส์พื้นโบส์ทางด้านขวาของพระประธานท่านเห็นหลุมเล็กๆขนาดเท่างบน้ำตาลตโนดหลุมหนึ่งมีน้ำใสๆขังอยู่จะว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึมมาถึงในที่นี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำร่วม2ี่สิบวาและจะเป็นน้ำอะไรละ่ะ ท่านรู้สึกพิษวงอีกประการหนึ่งพื้นโบดก็เป็นปูนซีเมนต์น้ำจะซึมขังอยู่ได้อย่างไรพลันท่านก็นึกถึงเทวดาที่สถิตยอยู่บนต้นพิกุลแม่ชีก้อนทองคงจะช่วยถามเทวดาว่าน้ำที่ท่านเห็นเนี้ยมาจากไหนแล้วท่านจะตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงกันไหมคิดดังนั้น จึงเดินไปที่ศาลาแม่ชีก้อนทองกำลังเดินจงกรมอยู่อย่างขมักขะเม่นเห็นสมพานเดินมาหาก็กำหนดนั่งแล้วกราบท่านสามครั้งเป็นยังไงบ้างแม่ชีปฏิบัติไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจากหลวงพ่อหลังจากทําพิธีขอกรรมฐานเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้ว แม่ชีก็เรียกพระเจริญว่าหลวงพ่อได้สนิทใจแม่อายุท่านจะน้อยกว่าแต่ความสามารถนั้นมากจนสุดจะพันน า, นาทำไมละ่ะหรือว่าที่นี่ไม่สงบที่นี่สงบจ้าแต่ฉันเห็นจะลำบากเสียแล้วเทวดารบกวนเลอกเกินแม่ชีระบายความในใจออกมา รบกวนยังไงพระหนุ่มสงสยัยเขามาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนมาเวลาเท่าไรสมภารหนุ่มซักแม่ชีก้อนทองตอบบ้าเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีที่ฉันรู้เพราะดูนาฬิกาสวดมนต์แบบไหนอิติปิโสหรือว่าคาถาพาหุงท่านถามอีก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 ฉันไม่ได้จดหรอกจ้ะฉันไม่รู้หนังสือไม่ชีกราบเรียนอออัตมาลืมไปคนรุ่นเก่าๆามาักไม่ได้เรียนหนังสือไหนเขาบอกว่าอะไรบ้างเพื่ออัตมาจะได้ไปช่วยจดไว้ไปจดไว้ให้ว่า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 ฉันก็ไม่ทราบเขาบอกหลังนี้จะสร้างที่หลังทหารจะมาช่วยสร้างแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมเ้าถึงมาอยู่ที่ต้นพิกุลทำไมถึงไม่อยู่บนสวรรค์เทวดาก็ต้องอยู่บนสวรรค์ถึงจะถูกบอกจ้ะเขาบอกว่าเดิมเขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาววดึงแต่ไปทำผิดประเวณีกับนางฟ้า พระอินทร์จึงลงโทษให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์ร้อยปีนี่เขาอยู่มาได้เกอดปีแล้วครบรอบวันที่27สมีนาคมเวลาเก้าโมงสี่สิบนาทีเขาจะไปแม่ชีเล่าตามที่เทวดาบอกทำไมเขามาคุยกับแม่ชีเท่านั้นไม่เห็นมาคุยกับอาตมาบ้างเลย แม่ชีช่วยถามเขาหน่อยสิอาตมาเปรบเหมือนเจ้าของบ้านเขาน่าจะมาขออนุญาตต่ออาตมาก่อนเขาไม่กล้า จ, จะ้ะเขาอายที่ถูกพระอินทร์ลงโทษเขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นเทวดาแต่ก็มีคุณธรรมน้อยกว่าหลวงพ่อเลยไม่กล้ามาปรากฏให้เห็นแต่เขารู้นะ เวลาที่หลวงพ่อไปไหนมาไหนเขาจะบอกฉันปรากฏว่าหลวงพ่อไปจริงๆอย่างเมื่อวันก่อนเขาบอกฉันตอนกลางคืนว่าพรุ่งนี้น่ะหลวงพ่อจะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่ตลาดปาบบางวันรุ่งขึ้นฉันไปที่กุฏิหลวงพ่อเนนเฉลียวบอกว่าหลวงพ่อไปบ้านโยมพ่อโยมแม่ แล้วคืนนี้ก็จะมาอีกไหมมาจ้ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้เดือนเศษเขามาทุกวันฉันเพิ่งบอกหลวงพ่อว่าฉันเห็นจะลําบากเสียแล้วถูกเทวดารบกวนจนรําคาญเอาเถอะอย่าเพิ่งรําคาญเขาอาจจะมาทดสอบอะไรบางอย่างก็ได้อาต ม, มาจะฝากโยมถามเทวดาหน่อยได้ไหม ได้จ้ะหลวงพ่อจะฝากถามอะไรเทวดาฝากถามว่าน้ําที่ขังอยู่ในโบดถนะ์น่ะมาจากไหนน้ําอะไรขังอยู่ในโบดถ์หรืจ้ะเอาเถอะอาตมาฝากถามอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ท่านบอกอีกว่าช่วยถามอีกข้อนะถามว่านารีผลมีจริงไหม งันคืนนี้จะถามให้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปรายงานหลวงพ่อทราบจะ้ะแม่ชีรับปากรับคำหนักแน่นตกกลางคืนพระเจริญตัดสินใจว่าจะไปแอบฟังที่ไตถุนสลาอยากรู้ว่าเทวดาจะตอบปัญหาที่ท่านฝากแม่ชีถามอย่างไรท่านออกจากกุฏิเวลา24นาฬิกาตรง ใช้เวลาเดินไม่ถึงนาทีก็ไปหยุดยืนอยู่ใ้ถุนห้องแม่ชีนึกเสียวๆอยู่เหมือนกันกลัวแม่ชีจะปัสสวะลงมารดศรีรษะท่านเพราะบนสาลาไม่มีห้องซ่วมเสียงดังกุกกะกุกกะข้างบนแล้วแสงเทียนก็สว่างลอดร่องกระดานลงมาแม่ชีลุกขึ้นจุดเทียนนั่นเองจากนั้น ก็มีเสียงสวดมนต์เสียงหนึ่งเป็นแม่ชีอีกเสียงหนึ่งดังกองวานไพเราะคงเป็นเทวดานั่นเองบทสวดมหาเมตตาครอบจักรวาลท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันเมตตาพรงวิหารภาวนาท่านคิดว่าจะต้องไปหาบทสวดนี้ให้ได้ ว่าอยู่ในหนังสือสวดมนต์เล่มไหนแล้วนำมาตรวจสอบกับแม่ชีว่าจะตรงกันหรือไม่พระนุมนั่งฟังอยู่ใ้ถุนศาลาเป็นชั่วโมงกระทั่งเทวดาและแม่ชีสวดมนต์เสร็จบัดนี้ท่านเชื่อแล้วว่าแม่ชีก้อนทองไม่ได้พูดปดเสียงสวดมนต์หายไปแล้วได้ยินแม่ชีพูดว่า เทวดาวันนี้หลวงพ่อท่านฝากถามปัญหายังไม่ทันแม่ชีจะบอกว่าปัญหาอะไรเสียงเทวดาก็ตอบว่าไปกราบเรียนท่านว่าน้ำที่ขังอยู่ในโบทนั้นเป็นน้ำทิพย์มีบ่ออยู่ที่วัดไทงังเมืองส่วดเถาประเทศจีนถ้าท่านได้ไปเห็นบ่อน้ำทิพย์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 ใจจ้าแล้วฉันจะไปกราบเรียนท่านดีแล้วแต่ถึงไม่ไปท่านก็ทราบเพราะท่านได้ยินพระเจริญใจไม่ดีกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านมาแอบฟังเสียงแม่ชีถามขึ้นว่าท่านหูทิพย์ใจไหมหลวงพ่อท่านคงจะได้คุณวิเศษเพราะท่านเก่งเลือกเกิน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 ที่เรากำลังพูดกับแม่ชียอยู่เนี่ยท่านก็รู้ท่านรู้ได้อย่างไรพระเจริญกลั้นใจฟังกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านแอบฟังอยู่ชรอยเทวดาคงกลัวว่าท่านจะเสียหน้าจึงตอบว่าท่านรู้ก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ลองถามท่านดูก็ได้จากพรุ่งนี้ฉันจะเรียนถา แต่คืนนี้ขอถามเทวดาหน่อยเถอะว่าวทำไมต้องมาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนฉันเบื่อแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อสิเราจะบอกให้นะเทวดาหน่ะมีสองประเภทคือเทวดาตรงกับเทวดาผานเทวดาตรงคือเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะสวดมนต์กันทุกคืน เวลา24นาฬิกากับ1นาทีแต่เทวดาพานไม่สวดที่เทวดาต้องสวดมนในเวลานี้ก็เพราะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าการสวดมนคือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้านไหนสวดมนทุกวันเทวดาตรงจะปกปักรักษาถ้าบ้านไหนไม่สวดมนเทวดาพานจะไปอยู่ด้วย คนบ้านนั้นก็จะเป็นอันธพาลสร้างแต่ความชั่วไว้ในสังคมแม่ชีไปสอนลูกสอนหลานให้สวดมนต์นะแล้วเทวดาตรงจะมาสวดด้วยแต่เขาไม่ปรากฏให้เห็นเพราะเทวดาไม่ชอบคุยกับมนุษย์แล้วทําไมคุยกับชั้นฉั้นก็ไม่ชอบคุยกับเทวดาเหมือนกันหลวงพ่อท่านสอนชั้นเดินจงกรม นั่งภาวนาฉันอยากปฏิบัติมากกว่าอยากสวดมนต์แม่ชีพูดตรงไปตรงมาเอาเธออีกไม่ถึงสิบปีเราจะไปแล้วที่ต้องมาชวนสวดมนต์ทุกวันเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนสวดแล้วก็เห็นว่าแม่ชีพอจะคุยกันได้อย่างน้อยก็ให้ช่วยเป็นสื่อสารระหว่างเรากับพระคุณเจ้า อ๋อพรุ่งนี้ช่วยเรียนท่านด้วยว่าตอนบ่ายจะมีคนเขาเอาสร้อยทองคำหนักสี่บาทมาถวายให้ท่านรับไว้ด้วยเรื่องอะไรจะรับพระจะเอาใส่สร้อยทองไปทำอะไรเทวดานี่ยุ่งจริงจะมาทำให้เราต้องอาบัดและไม่ล่จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแอบเถียงในใจไม่รับไม่ได้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 ตกลงฉันจะกราบเรียนทันตามนี้เจินเทวดากลับไปยังวิมานตนพิกุลเถอะฉันง่วงนอนจังขอหลับสักชั่วโมงและจะมาเดินจงกรมอย่าหาว่าฉันไล่เลยนะแม่ชีพูดกับเทวดาพระเจริญแอบคิดในใจว่าแม่ชีรูปนี้เก่งจริงๆกล้าไล่เทวดาเสียด้วย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 พระนุ่มรับฟังด้วยอาการสงบไม่ซักถามแต่ประการใดเพราะท่านได้ยินมาด้วยตัวท่านเองแม่ชี ก, กลับไปที่ศาลาแล้วท่านจึงเดินไปที่โบสถ์ถือช้อนไปคันหนึ่งครั้นถึงจึงใช้ช้อนตักน้ำที่ขังอยู่ในหลุมเล็กๆนั้นมาดื่มได้สัมผัสกับกลิ่นหอมและรสหวานอย่างที่ไม่เคยได้ประสบมาก่อน เราจะจำไว้รถอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ปี2525 25, ้ายห้าเราจะได้ไปพบที่เมืองจีนหากไม่จริงแล้วก็จะตามไปต่อว่าเทวดาที่ชั้นทาวดึงน้นเชียวท่านนึกในใจตอนบ่ายขณะที่สมพานวัดป่ามะม่วงกำลังคุยกับมคณาโยกและกรรมการวัดเรื่องงานกระถินปีนี้ ชายหญิงคู่หนึ่งอายุราวห้าสิบเศษก็เดินเข้ามาในกุฏิกราบท่านแล้วฝ่ายหญิงจึงพูดขึ้นว่าท่านสมภารแม่ฉันให้เอาสายสร้อยเส้นนี้มาถวายนางพูดพร้อมกับส่งห่อผ้าสีตุนตุนที่ใส่มาใน่านเงินซึ่งเก่าจนดำสิ่งที่ผ้าห่อหุ้มอยู่เป็นสายสร้อยคอทองคําหนักสีบาท อาตมารับไม่ได้หรอกโยมพระใสสายสร้อยไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเถอะท่านปฏิเสธรับเถอจากแม่ฉันกำชับมาว่าต้องเอามาถวายสมภารวัดป่ามะม่วงห้ามถวายวัดอื่นท่านช่วยรับไว้ด้วยเถอะเนึกว่าเมตตาแม่ฉันด้วยนางอ้อนวอน แล้วทำไมแม่โยไม่เอามาถวายเองล่ะอาตมาจะได้ถามว่าทำไมจะต้องมาเจาะจงถวายอาตมาแกมาไม่ได้หรอกครับท่านเพราะแกตายไปสิบปีแล้วบุรุษที่มาด้วยเป็นคนตอบอ้าวตายแล้วยังจะสั่งลูกไดอีกหรือหรือว่าแกสั่งไว้ตอนก่อนตายคือแกมาเข้าฝันฉันจัก แกบอกว่าสายสร้อยเส้นนี้เป็นสมบัติเก่าแก่ของแกถ้าฉันเก็บไว้ก็จะมีแต่จนลงจนลงแต่ถ้าฉันถวายสมภารวัดป่ามะม่วงฉันจะร่ำรวยแล้วแม่ก็จะขึ้นจากนรกด้วยแม่ว่าแม่อยู่ในนรกจากพูดแล้วก็อดร้องไห้ไม่ได้นึกสมเพชเวทนาตัวเองนักยากจนแล้ว ไม่นำซ้ำมารดายังตายไปตกนรกเสอีกจะยากอะไรหลยโยมอยากรวยก็เอาสร้อยเส้นนี้ไปขายสิจะไม่ให้อัตมาทำไมพระเจริญแนะนำไม่ได้หรอกจก้กฉันไม่ใช่คนที่ขายสมบัติพ่อแม่กินหรือถ้าฉันรวยก็คงไม่มีความสุขเมื่อรู้ว่าแม่ฉันอยู่ในนรก สตรีวัยห้สิเศษพูดทั้งน้าตา่ัานช่วยรับไว้หน่อยเถอะครับนึกว่าสงสารเมียกับแม่ยายผมบุรุษที่มาด้วยช่วยอ้อนบอนทั้งที่เสียดายสายส้อยเอาเถอะอาตมาจะรับฝากไว้ก็แล้วกันจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็มาเอาได้ทุกเมื่อตกลงนะญาติโยมช่วยเป็นพยานด้วย ท่านบอกมคณาโยกและกรรมการวัด